เรียมเข้าสู่มัชิมาปฏิปทากล่าวโดวยสรุปสำหรับคนทั่วไปผู้มีปัญญายังไม่แก่กล้ายังต้องอาศัยการแนะนำชักจูงจากผู้อื่นการเจริญปัญญานับว่าเริ่มต้นจากองค์ประกอบภายนอกคือความมีกัลยาณมิตรสำหรับให้เกิดศรัทธาคือความมั่นใจด้วยเหตุผล ที่ได้พิจารณาเห็นจริงแล้วก่อนจากนั้นจึงก้าวมาถึงขั้นองค์ประกอบภายในเริ่มแต่นำความเข้าใจตามแนวศรัทธาไปเป็นพื้นฐานในการใช้ความคิดอย่างอิสระด้วยโยนิโสมณสิการเป็นต้นไปทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิและทำให้ปัญญาเจริญยิ่งขึ้นจนกลายเป็นญานนณทัศนะคือการรู้การเห็นประจักษ์ในที่สุด ผู้ที่จะช่วยแนะความรู้คิดแก่ผู้อื่นอาจถือโยนิโสมนสิการ3สามอย่างต่อไปนี้เป็นหลักพื้นฐานสำหรับตรวจสอบพื้นเพทางด้านภูมิปัญญาหรือความรู้คิดของบุคคลคือหนึ่งการคิดแบบปัจจาัการคือดูว่าเขามีความคิดเป็นเหตุเป็นผลรู้จักคิดเหตุผลหรือเป็นคนมีเหตุผลรู้จักสืบคนเหตุผลปัจจัยหรือไม่ 2. การคิดแบบวิพัชวาทะคือดูว่าเขารู้จักมองสิ่งทั้งหลายหรือเรื่องราวต่างๆได้หลายแง่หลายมุมรู้จักแยกแยะแง่งงงด้านต่างๆที่อาจเป็นไปได้ไม่มองแง่เดียวไม่คิดกลุ้มเครือดังนี้หรือไม่ 3. การคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์คือดูว่าเขาพูด ฟังหรืออ่านอะไรสามารถจับหลักจับประเด็นหรือแก่นของเรื่องในวงเล็บธรรมะและเข้าใจความหมายความมุ่งหมายหรือคุณค่าประโยชน์หรือแนวที่จะกระจายขยายความของเรื่องนั้นๆในวงเล็บอัตถะหรือไม่เนื่องด้วยศรัทธาเป็นองค์ธรรมสำคัญมาก ซึ่งเมื่อเป็นศรัทธาที่ถูกต้องและใช้ถูกต้องก็จะเชื่อมต่อเข้ากับโยนิโสมนสิกานนำให้เกิดปัญญาที่เป็นสัมมาทิฐิจึงขอสรุปเรื่องศรัทธาในแง่ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ไว้อีกครั้งหนึ่ง 1. ในขั้นศีลศรัทธาเป็นหลักยึดช่วยคุ้มศีลไว้โดยเหนียวรั้งจากความชั่วและทาให้มั่นคงในสุจริต ศรัทธาเพื่อการนี้แม้ไม่มีความคิดเหตุผลคือไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ใช้ได้และปรากฏ บ, บ่อยๆว่าศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไม่คิดเหตุผลนั้นใช้ประโยชน์ในขั้นศีลแน่กว่าศรัทธาที่มีการใช้ปัญญาด้วยซำ้ำา 2. ในขั้นสมาธิศรัทธาช่วยให้เกิดสมาธิได้ ในแง่ที่ทําให้เกิดปีติสุขแล้วทาให้จิตสงบนิ่งแนบสนิทหายฟุ้งซ่านไม่กระสับกระส่ายกระวนกระวายและในแง่ที่ทําให้เกิดความเพียรพยายามแก้วกล้าไม่หวั่นกลัวจิตใจพุ่งลั่นไปในทางเดียวเกิดความเข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่ศรัทธาเพื่อการนี้แม้เป็นแบบเชื่อดิ่งโดยไม่ใช้ความคิดเหตุผลก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน ในกรณีที่เป็นศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไม่ยอมคิดเหตุผลแม้จะใช้งานได้ผลทั้งสองระดับแต่มีผลเสียที่ทำให้ใจแคบไม่ยอมรับฟังผู้อื่นและบางทีถึงกับเป็นเหตุให้เกิดการบีบบังคับเบียดเบียน er คนอื่นพวกอื่นเพราะความเชื่อนั้นและที่สำคัญในเรื่องนี้คือไม่เกื้อหนุนแก่การเจริญปัญญาสา ในขั้นปัญญาศรัท ธ, ธาช่วยให้เกิดปัญญาเริ่มแต่โลกิยะสมาธิฏิเป็นเบื้องแรกเหนือกว่า น, นั้นไปศรัท ธ, ธาเชื่อมต่อกับโยนิโสมนานสิกานในสองลักษณะคืออย่างแรกเป็นช่องทางให้กัลยาณมิตรสามารถชี้แนะความรู้จักคิดคือกระตุ้นให้คนผู้นั้นเริ่มใช้โยนิโสมนาสิกานมิฉนั้นอาจไม่ยอมเปิดรับการชี้แนะ หรือการกระตุ้นเลยอย่างที่สองศรัทธาช่วยเตรียมพื้นหรือแนวของเรื่องที่จะพิจารณาบางอย่างไว้สำหรับโยนิโสมนสิกานนำไปคิดอย่างอิสระต่อไปศรัทธาเพื่อการนี้เอ็นชัดอยู่ในตัวแล้วว่าต้องเป็นศรัทธาที่มีการใช้ปัญญาและเป็นศรัทธาที่ต้องการในที่นี้ เพื่อความมั่นใจที่จะให้ศรัทธาเกื้อหนุนแก่ปัญญาโดยทางโยนิโสมนัสิการเห็นควรสรุปวิธีปฏิบัติต่อศรัทธาไว้ดังนี้ 1. มีศรัทธาที่มีเหตุผลหรือมีความเชื่อที่ประกอบด้วยการคิดเหตุผลคือไม่ใช่ศรัทธาประเภทบังคับให้เชื่อหรือเป็นข้อที่ต้องยอมรับตามที่กำหนดไว้ตายตัว หรือต้องถือตามไปโดยไม่เปิดโอกาสให้คิดหาเหตุผลไม่ใช่ความเชื่อชนิดจีกิดกันห้ามความคิดบีบกดความคิดหรือที่ทำให้ไม่ยอมรับฟังใครแต่เป็นความเชื่อที่สนับสนุนการคิดเหตุผลเกื้อหนุนแก่การเจริญปัญญาต่อๆไปในข้อนี้พึงแยกระหว่างศรัทธาชนิด ที่คิดเหตุผลเห็นสมจริงแล้วจึงเชื่อกับศรัทธาชนิดเชื่อก่อนแล้วจึงคิดทำให้มีเหตุผล 2. มีท่าทีแบบสัจจานุรักษ์คืออนุรักษ์สัจจะหรือรักสัจจะคือซื่อตรงต่อสัจจะและแสดงศรัทธาตรงตามสภาพที่เป็นจริงลาวคือเมื่อตนเชื่อ ย, อยางไร มีสิทธิกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่เอาศรัทธาของตนเป็นเครื่องตัดสินสัจจะคือไม่ก้าวข้ามเขตไปว่าความจริงต้องเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเชื่อหรือเอาสิ่งที่เป็นเพียงความเชื่อไปกล่าวว่าเป็นความจริงเจนแทนที่จะพูดว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนั้น เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกลับพูดว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น 3. ใช้ศรัทธาหรือสิ่งที่เชื่อนั้นเป็นพื้นสาหรับโยนิโสมนสิการคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาต่อไปพูดอีกในย่าหนึ่งว่าศรัทธาไม่ใช่สิ่งจบสิ้นในตัว ไม่ใช่ศรัทธาเพื่อศรัทธาแต่ศรัทธาเป็นเครื่องมือหรือเป็นบันไดก้าวสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปกว่ากล่าวคือศรัทธาเพื่อปัญญาเท่าที่กล่าวมานี้ก็เป็นอันเข้ากับลำดับขั้นของการเจริญปัญญาที่เคยแสดงไว้แล้วคือเสวนาสัตบุรุษไปสู่การสดับสัทธรรมเกิดศรัทธา ไปสู่การเกิดโยนิโสมนสิการและอื่นๆต่อจากโยนิโสมนสิการก็คือการเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิเมื่อถึงสัมมาทิฏฐิก็เป็นอันก้าวเข้าสู่องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งหมายถึงว่าวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามได้เริ่มต้นแล้ว